พระผู้มีพระภาคกรสถามท่านพระทัพพระมลบุรว่าทัพพระเธอจำได้ไหมว่าได้ทำตามที่เจ้าวัดทะนี้กล่าวหาพระทัพพระมลบุรก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทัพพระบันดิต